ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่องอุปทานนี้ร้ายนักโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่14ธันวาคม2542ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบบัดนี้ค่ะ มาจ ำ, จำได้ตอนโยมพ่อจะมาเสียเหมือนกันนะนี่เป็นมะเร็งใช่ไหมโยมพ่อจะมาเสียก็เป็นมะเร็งเหมือนกันตอนไปเฝ้าไปเฝ้าดูแลไปโรงพยาบาลก็ตรวจเช็คแล้วก็ต่ลังพอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งหมอเขาก็บอกว่ามันอาการมากแล้วหนักแล้วยกเหมือนกับขั้นสี่ะคือ รักษาไม่ไหวแล้วล่ะคือมีแต่ทางเดียวคือตายแน่นอนเพียงแต่ว่าจะพยุงไว้ยังไงเท่านั้นเองคือให้ให้ช้านานที่สุดเท่าที่จะจะเป็นไปได้แล้วหมอเขาก็ถามว่าจะากลับไปอยู่บ้านแล้วก็กินยาหรือว่าจะใช้แสงตอนนั้นมันยังไม่ไม่มีไอเนี้ยไออะไรนะฉีดไอไอะไร เออคีโมอะไรพวกนี้มันยังไม่มีช่วงนั้นนะหรือมีแล้วเราก็ไม่รู้แหละจะหมอไม่จะพูดถึงเลยมีพูดถึงอยู่สองอย่างก็พวกญาติพี่น้องก็เลยคุยกันคุยกันเสร็จบอกว่าเออฉายแสงก็รู้สึกว่ามันจะทรมานก็เลยคิดว่าอย่าเลยเอากลับเอาพ่อกลับไปที่บ้านดีกว่าแล้วก็ไปดูแลไปรักษากันกินยาไป ก็เอากลับไปบ้านไปดูแลกันไม่นานน่ะรู้สึกว่าสักพักหนึ่งเท่านั้นเองอไม่กี่วันเองนะคือไม่กี่วันนี่หมายถึงว่าตอนแรกเอากลับไปพอกินอะไรได้บ้างนิดหน่อยเนะจนกระทั่งเรียกว่าพอสุดท้ายเนี่ยกินอะไรไม่ได้กินไม่ลงแล้วระบบขับถ่ายก็ไม่ถ่ายแล้วนะจนกระทั่งเจวัน เจ็ดวันต่หลังก็เสียคือถ้าใครไปได้เห็นใครไปได้ดูแลแล้วเห็นความทรมานของคนที่เจ็บที่ป่วยจะทำให้เรามาเร็งตอนแรกรู้สึกว่าบอกว่าเป็นที่ในข้างในเนี่ยนะพวกปอดพวกตับพวกอะไรพวกนี้ยแต่ต่หลังเนี่ยมันมันมันกินขึ้นไปเ อ, อมันลามันขึ้นไปจนกระังตห ล, ลังเนี่ยมันกินที่กระโหลกศีรษะ โอ้ตามาเห็นเวลาที่บางทีท่านเจ็บปวดจังนะโอ้โหปวดทนไม่ไหวเอามือเนี่ยตีตีหัวตัวเองโอ้โหตีอย่างแรงเนี่ยแบบมันมันไม่รู้จะทอยังไงอ่ะโอ้โหตีแรงๆตอนแรกอาตมาไม่รู้มาก่อนนะเอยอมพ่อจะเจ็บปวดจะทรมานถึงขนาด น, นั้นเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครรู้ว่า ตัวเองเจ็บป่วยอะไรเป็นคนเหมือนอย่างกับว่าไม่อยากให้คนอื่นต้องมาห่วงต้องมาเศร้าโศกเสียใจวันนั้นก็เลยแบบว่าไม่ค่อยยอมบอกใครจริงๆแสดงว่าเป็นมานานแล้วไงแต่ไม่ไม่ปิดปากเลยไม่ไม่มีใครรู้เลยที่บ้านไม่มีใครรู้เจอกระทั่งพอเริ่มรู้สึกว่าเอชักผิดปกติอะรู้สึกว่าเอชักไม่ถูกละเมิงอย่างเงี้ย ได้พาไปหาหมอเนี่ยไปตรวจพอเข้าโรงพยาบาลเช็คตรวจเท่านั้นเองอ่ะปรากฏว่าหนักแล้วรักษาไม่ไม่ไหวแล้ว <c oughs> นะรู้เอาต่อเมื่อถึงขั้นนั้นอะ่ะแสดงว่าเป็นมานานไอตอนแรกก็ไม่ได้นึกอะไรเห็นบางทีบน่นบ น, บนพูดพู ด, พดเออตายได้ก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้นะมีเหมือนกันบางทีก็หลุดปากอย่างนี้ออกมาแต่เราก็ไม่คิดอะไระนะเราก็นึกว่าเออคนจะแก่แล้วอะ่ะ เพราะเราไม่เห็นว่าจะเจ็บป่วยอะไรนี่เพราะจริงๆเวลาเจ็บปวดอะไรพวกเนี้ไม่ยอมให้ใครรู้ไม่ยอมให้ใครเห็นโอเป็นคนที่ทนอดทนมากจนขนาดพอพาไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยมันไปเช็คอยู่เป็นแบบว่าต้องไปนอนนะเป็นอาทิตย์อะนอนแล้วก็ตรวจเช็คเข้ามาเจาะเลือดเข้ามามีสายระยงระยางอะไรเนี่ย ดึงทิ้งดึงทิ้งอยู่เรื่อยอะ่ะแล้วก็บอกจะกลับบ้านจะกลับบ้านไม่ยอมอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ตัวก็ใหญ่พอสมควรตัวอ้วนตัวใหญ่พอสมควรเพราะว่าตอนหลังเนี่ยที่ป่วยแล้วเนี่ยมันมันเริ่มไอ้ระบบขับถ่ายมันไม่ดีแล้วพอกินลงไปกินลงไปเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยที่จะย่อยหรือว่าระบายออกมามันจะไม่ไม่ค่อยนั่นแหละเพราะมันก็จะเหมือนกับบวมบวมอะ่ะ อ้วนๆแบบบวมๆแต่จริงๆแล้วเป็นคนแข็งแรงยอมพ่อเป็นคนแข็งแรงไม่รู้แต่คิดว่าตัวท่านเองเนี่ยท่านคงรู้ว่าท่านเจ็บปวดท่านทรมานคิดว่าคงจะอะไรอะ่ะคงจะอยู่ไม่นานนะในความรู้สึกของตัวท่านเองถึงบางทีบ่นออกมามั่งแต่เป็นคนที่เข้มแข็ง ใจเด็ดเป็นคนแบบใจเด็ดมากใจแข็งอาตมานี่เสูไม่ไหวอะ่ะโอ้โยพ่ออาตมานี่บางทีเหมือนกับคนดุดุเหมือนกับคนดุดเหมือนแบบแบบแบบนิสัยแบบคนโบราณ น, นะแบบแบบลูกผู้ชายอย่างเงี้ยแบบดุดุหน่อยไม่พูดมากแต่อาตมาไม่เคยโดนตีนะเคยเดโดนเคาัวเท่านั้นแหละไม่เคยโดนตี โอ้ยแต่เกยหัวนี่เจ็บหน้าดูเลยโดนเกยหัวปอก เ, เจ็บเสร็จพอเราได้เห็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราได้ได้พยาบาลบ้างตอนก่อนที่จะเสียชีวิตยิ่งไปเห็นภาพที่แบบเวลาท่านเจ็บปวดทรมานเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้เนี่ยท่านต้องตายไปเรารู้สึกว่าท่านพ้นทุกข์มากกว่าเราเราเลยไม่รู้สึกว่าเราจะต้องไปเสียใจอะไร เพราะว่าถ้าท่านอยู่ท่านก็เจ็บปวดทรมานใช่ไหมว่าอย่างเงี้มันจะทําให้เราไม่รู้สึกว่าเราต้องไปเศร้าโศกส่วนใหญ่คนที่จะเศร้าโศกเนี่ยแล้วก็จะโอ้ยเสียใจมากๆโดยเฉพาะคนที่จากไปเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขายังดีๆอยู่เขายังแข็งแรงอยู่เขายังอะไรอะ่ะมีความสุขอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วโอ้โหมาตายไปเนี่ยบางคนทําใจยากเพราะอะไรเพราะอุปทานหรือว่า ไอ้ความที่ฝังอยู่เนี่ยมันยังฝังอยู่แบบลักษณะเป็นสุขอะเป็นสุขอย่างเงี้ยมันมันฝังอันนี้มาอยู่อยู่ดีดเนี่ยประกับตายไปมันเหมือนกับช็อกอะมันเหมือนกับยอมรับไม่ได้เพราะอุปทานที่มันมีอยู่เนี่ยมันยังไม่ยอมที่จะให้พัดพรากจากไปเพราะไอ้ลักษณะของความสุขเนี่ยมันยังมันยังดึงเราเอาไว้อยู่เนี่ยนะใครจะทุกข์มากทุกข์น้อยมาอยู่ที่ตรงนี้แต่ถ้าคนนั้นน่ะแม้จะเป็นคนที่เรารัก แล้วก็พัดภาคไปแล้วเราไม่ค่อยรู้สึกว่าจะทุกข์สักเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะนี่แหละเราเห็นสภาพที่มันเป็นทุกข์เพราะถ้าใครเนี่ยเห็นเห็นสภาพที่เป็นทุกข์ขึ้นมารู้สึกเลยว่าโอ้โหคนนี้เขาอยู่แล้วเขาลําบากเขาทุกข์เขาทรมานแล้วเขาต้องตายเขาต้องจากไปโดยที่เป็นไปตามกรรมเนี่ยนะไม่ได้มีใครไปฆ่าหรือใครไปอะไรหรอกแต่เราจะไม่รู้สึกไปเสียใจอะไรเพราะเรา เห็นแล้วว่าโอ้โหนี่ถ้าเขาตายไปได้เขากับจะไม่ทุกข์ร้อนอะไรใช่ไหมคิดว่าไปเกิดใหม่ก็เออก็ไปตามบุญตากรรมอีกใหม่เบอรก็เริ่มต้นใหม่อีกเพราะเราจะไม่รู้สึกว่าว่าต้องมาเศร้าโศกอะไรกันนะักหนาเราจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะอันนีเน้เป็นความรู้สึกหนึ่งของคนเราเนี่ยที่จะแบบว่าเวลาใครพัดภาคตายจากเราไปเราจะทุกข์มากแค่ไหนมันจะอยู่ที่ตรงอุปทานตัวนี้ ถ้าใครไม่มีอุปทานพวกนี้อยู่อย่างเช่นคนที่เราไม่ค่อยรู้จักถ้าเกิดจะต้องพัดภาคหรือไม่ต้องตายนะเอาแค่บางทีเนี่ยเออเคยเห็นหน้ากันแล้วก็ต้องจากกันไปแต่เราไม่ทุกข์ร้อนอะไรเพราะอะไรเพราะใจเรามันไม่มีตัวผูกพันไม่มีตัวสัมพันธ์ที่จะต้องฝังเอาไว้ว่าโอ้โหคนนี้เขาดีนะคนนี้เขาแบบว่าเคยช่วยเรานะหรือเราก็เคยช่วยเ้านะ ไอตัวผูกพันลักษณะที่เป็นอุปทานจิตพวกนี้มันไม่มีเมื่อมันไม่มีเนี่ยเขาตายไปเราก็เฉยๆเพราะมมนมีอุปทานตัวนี้อยู่ยิ่งครา น, นี้นะตรงข้ามถ้าสมมติคนนะั้นเป็นคนที่เราส ม, มุตินะเป็นคนที่เราไม่ค่อยชอบครานี่มีอุปทานเหมือนกันแต่เป็นอุปทานตัวที่ไม่ค่อยชอบเบ้นขี้หน้าอยู่แล้วถ้าได้ข่าวว่าตายไปจะยังเป็นยังไง ไม่เพียงจะไม่เศร้าโศกเสียใจใช่ไหมอยังรู้สึกดีสมน้าหน้า <c oughs> บางทีเนี่ยจิตมันจะไปอย่างนั้นเลยเพราะนี่มันมันอยู่ที่อุปทานพวกนี้แต่ถ้าเราไม่มีอุปทานพวกนี้เนี่ยผูกพันด้วยเลยเกียรติแล้วก็ไม่ได้เกียดรักผูกพันแล้วก็ไม่มีนะคนทั่วๆไปเนี่ยเพรา ะ, ะนั้นเขาตายอย่างเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์โอ้โหตกเครื่องบินตายนะหรือว่าบางทีโดดตึกลงมาตายก็ถ่ายภาพให้เราดูด้วยซ้ำแบบ เราก็ดูแล้วก็เฉยๆแล้วเราก็ฟังข่าวไปอะไรไปเห็นไหมเราไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยเพราะอุปทานที่มันไปยึดเกาะด้วยมันไม่มีตัวนี้เพราะมันก็เฉยๆเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรอ่าเพราะข่าวนี้เนี่ยความสำคัญมันอยู่ที่เราที่ที่จะมีปัญหาอยู่สองตัวใหญ่ๆคือตัวเกลียดกับตัวรักผูกพันจะมีอสองตัวใหญ่ ัถ้าใครเนี่ยมีตัวรักผูกพันมากพอเวลาต้องพัดภาคจากสิ่งนั้นไปโอ้โหทุกข์ร้อนทรมานพูดเจ้าถึงได้ใช้คำว่ารักร้อยกับทุกข์ร้อยคือใครมีอุปทานที่ผูกพันไว้เนี่ยร้อยส่วนเมื่อเวลาต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปคนนั้นก็จะต้องทุกข์ร้อยส่วนแต่ถ้าใครใช่ไมไม่มีตัวรักผูกพันมากสมมติว่ามีแค่ส่วนเดียว คนนั้นก็ทุกแค่ส่วนเดียวเท่านั้นตามที่คนนั้นยึดเอาไว้ถ้าคนนั้นไม่ไม่มีตัวยึดอุปทานนี้เลยคนนั้นก็ไม่มีไม่มีตัวเศร้าโศกตรงข้ามกับโทสะหรือว่าตัวเกลียดนาฬิกานี้พูดถึงตัวดูดตรงข้ามกับตัวเกลียดถ้าตัวเกลียดเรามีอยู่เนี่ยเวลาคนนั้นพัดภาคไปจากเรานะเราจะสมน้ำหน้าเราจะรู้สึกดีแล้วแม้ปล่อยให้รอมาตั้งนาน น่าจะไปดังนานแล้วนะเจิตตัวนี้มันจะขึ้นมาเลยนะมันจะเป็นความชอบใจเป็นความยินดีเป็นความพอใจแต่เป็นความยินดีพอใจจากโทสะหรือจากความเกลียดชังที่เรามีเพราะนั้นเหมือนกันใครเกลียดร้อยคนนั้นจะสะใจแบบเต็มร้อยเหมือนกันแต่ไอเต็มร้อยแบบนี้คือเต็มร้อยแบบกิเลส น, นะ เพนั้นคนนั้นก็จะสมใจแบบหเต็มร้อยเลยยิ่งคนที่เราเกลียดมากๆเราเกียดเต็มร้อยเลยเนะียยิ่งคนนั้นตายไปเนี่ยโอ้โหคนนี้จะดีใจใหญ่เลยแต่มันจะดีใจแบบชนิดที่เรียกว่าโอ้โหกิเลสเต็มร้อยส่วนเลยแต่ถ้าคนนั้นเราเกียดน้อยหน่อยดูนะนี่นี่พูดถึงคนที่ไม่มีสตินะไม่รู้ตัวเนี่ยสมมติเกียรติเขาสักสิบส่วนพอรู้ว่าคนนั้นตายปั๊บคนนี้จะดีใจสิบส่วน ดีใจแบบกิเลสที่สะสมเพิ่มสำหรับคนนั้นซึ่งจะนําทุกมาภายหลังจะนําทุกมาให้คนนี้ภายหลังแต่ตอนนั้นนะคนนั้นจะดีใจไปก่อนแต่จริงๆแล้วคนนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะทุกตามมาอีกทำไมอ่ะทำไมถึงจะต้องทุกตามมาหลังจากที่ดีใจไปแล้วนะเพราะว่าคนนี้เนี่ยยังตรงๆยังสุดขั้วอยู่เลย คือมีแต่สุกกระทุกขสุกกระทุกข์สุกกระทุกขอะไรอย่างเงี้ยคือบวกกับลบบวกกับลบคือไม่มีตัวศูนย์ไม่มีค่าศูนย์อยู่เลยมีแต่บวกกับลบอยู่บวกกับลบอยู่ตลอดเวลาขึ้นขึ้ น, นลงลงอยู่อย่างเงี้ยคนนี้ไม่สามารถที่จะอยู่ศูนย์หรือว่าอยู่นิ่งอยู่ที่ทําให้จิตมันสง บ, บงั้งคนนี้ทําไม่ได้มีอยู่สองอย่างในชีวิตมัเหมือนกับไม่ดีใจก็เสียใจ ไม่ดีใจก็เสียใจมีอยู่สองอย่าง น, นะจะแบบสงบสงบมั่งเออสบายสบายแบบเบิกบานธรรมดามั่งไม่มีนั่นแหละเพราะนันพอสายที่ที่เกลียดเนี่ยสายที่ไม่ชอบใจระวังให้ดีเพราะมันจะมีตัวพวกเนี้อยู่ในใจถ้าเวลาเราจับได้คนที่มีสตินี่นะพอรู้ว่าคนที่เราไม่ชอบใจเนี่ยถึงแก่เสียชีวิตหรือว่าบางทีไม่ต้องเสียชีวิตหรอก เขาอาจจะล้มละลายเขาอาจจะติดคุกหรือเขาอาจจะบาดเจ็บคกออุปัติเหตุอะไรเนี่ยเวลาเราจับได้เลยอป่าเอาแล้วล่ะเราเราชักชอบใจแล้วเราชักดีใจแล้วคนที่มีสติจับได้เนี่ยจะรีบเลยโอ้โหจิตอย่างนี้นี่มันเป็นจิตอกุศลเป็นจิตที่ไม่ดีเป็นจิตที่จะทำให้เราเนี่ยยิ่งเพิ่มตัวเกลียดชังตัวไม่ชอบคนนั้นนะ่ะหนักยิ่งขึ้นเรื่อยเย นคนที่รู้ตัวเนี่ยคนที่จะรีบปรับจิตเลยจะแก้จิตส่วนใหญ่เขาจะใช้อะไรเขาจะใช้คําว่าอะไรเวลาเกิดอย่างนี้ขึ้นมาปัา๊บเขาจะรีบให้จิตคนนั้นเนี่ยโอโหสิกรรม ười, คือคือคือให้อภัยไปอันนี้เป็นวิธีการที่จะมาแก้จิตที่เราเวลาเราไม่ชอบใจใครเนี่ยพอรู้ข่าวว่าเขาตายนะมันจะชอบใจใช่ไหมอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าโอ้โหเป็นตัว กิเลสวันทันรู้ตัวอ๋อจิตเราจะไปชอบใจในการที่คนอื่นเขาจิบหายหพูดง่ายในการที่คนอื่นเขาจะแบบว่าเจ็บป่วยหรือว่าทุกทรมานอะไรแล้วเราจะไปชอบใจอันนี้มันตรงกันข้ามกับมุทิตาธรรมุทิตานี่คือยินดีด้วยที่คนอื่นเขาได้ดีแต่อันนี้ยินดีด้วยที่คนอื่นเขาได้สวยนะอันนี้อกุศลเลยนะอกุศลละจิตเลย เพราะถ้าเราจับได้เงียบนะอย่ารีบเลยรี บ, ร, บระบายจิตรีบปล่อยจิตออกไปอย่าไปให้จิตรู้สึกชอบใจแบบนี้เพราะจิตชอบใจแบบนี้นี่มันอะไรเขาจะเรียกว่าอะไรนะจิตมันมันเลวร้ายแล้วพูดง่ายว่าเห็นคนอื่นจิบหายนี่โอ้โหชอบใจบ้าเดี๋ยวนี่ยหนังเนี่ยมันเขาภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีนะ เขาเขาใช้ชื่อเป็นภาษาฝรั่งอ่ามันเป็นชื่อแบบคอมดี้อะไรเงี้ยนะแบทคอมดี้คือคือเป็นหนังตลกคือมันสร้างมาให้คนดูเนี่ยคนดูแล้วโอ้โหสนุกหัวเราะกันตลกแต่มันตล ก, ลตลกยังไงมันตลกอย่างบางทีเนี่ยคนเดินเดินเดินมาเสร็จใช่ไหมมีอีกคนหนึ่งมาถึงถือขนมมาถึงก็โปะใส่หน้านะ หรือว่าบางทีถือบันไดามาเสร็จเอาบันไดตีหัวไอ้นันตีลังกาตกลงมาคือตลกจริงอ่ะแต่มันเป็นความตลกที่เราดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาโชคร้ายเป็นเรื่องที่เขาซวยเป็นเรื่องที่เขาโดนเบียดเบียนมั่งโดนทําร้ายมัง่งอะไรพวกเนี้แต่เราดูแล้วเราก็โอ้ขำนาชอบใจนั่นแหละนะั่นแะคือสภาวะที่ไม่รู้ตัวว่าเรากําลังไปสั่งสมภาษาไทยเขาเรียกว่าตลกร้าย พวกตลกร้าย เ, าเขาแปลแปลจากภารกรษาอังกฤษเนี่ยเขาเขาแปลว่าไอ้พวกตลกร้ายคือมันตลกจริงแตมันร้ายเหลือเกินเพราะใครดูเนี่ยนะดูแล้วคนนั้นจะสั่งสมจิตที่วันหลังเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเราไปเห็นคนที่เขาทุกข์ไปเห็นคนที่เขาเดือดร้อนบางทีเราขำแทนที่เราจะรู้สึกเมตตาหรือว่ารู้สึกสงสาร เรากับไม่รู้สึกเพราะว่าคนนั้นไปสั่งสมจิตที่เห็นคนอื่นเขาทุกข์เาลำบากแล้วออาสมมตินะเราอาจจะไปเห็นขอทานอย่างเงี้ยสมมติว่าอะไรอะ่ะง่อยเปียดเสียขาแล้วเดินแล้วก็โยกกระเยกไปกระโยกกระเ ย, ก, ก, ะ ย, ก, ก, ะเยกมาแม้ดูเดินแล้วดูอย่างก็ถ่าเต้นจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะเราดูแล้วก็าขำหัวลอกติ้งเลยแทนที่เราจะรู้สึกโอ้โหมันน่าสงสารนะคนนี้ ดูซิเขาขาพิการเขาร่างกายอะไรง่อยเปี้ยอะไรเงี้ยแทนที่เราจะรู้สึกเมตตาส ง, สงสารงเรากลับไปบางทีนะถ้าใครไม่รู้ตัวจริงๆนะขำใหญ่เลยหัวเราะแล้วก็เพ้อเพอก็เรียกกันมาดูอีกด้วยดูดีนั่นตลกอย่างเลยเนะี่ยอะไรเงี้นั่นแหละเนี่ยเนยไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สภาพสภาวะจิตใจว่าไปแล้วไปแล้วมันเป็นจิตที่เลวร้ๆแล้วเป็นจิตที่ไม่ดีแล้ว ว่าอันเนี้ยเนี่ยพูดให้ฟังในเรื่องของอุปทานจิตที่มันจะมีอยู่แล้วก็ทำให้สั่งสมตัวแล้วคนเราเนี่ยทุกวันเนี้ยที่ใครบางทีรู้สึกทุกบ้างสุขบ้างรู้สึกอะไรพวกนี้นะก็แล้วแต่ว่าคุณไปสั่งสมอุปทานอะไรไว้เรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณไปสั่งสมไว้ถ้าถ้าเราลองนึกย้อนไปนะเราจะรู้เองว่าโอ้โหเราไปสั่งสมอย่างนี้มานี่เองเราถึงได้ทุกวันเนี้ยจะนึกจะคิด จะพูดจะทำอะไรก็ทำไปตามที่เราสั่งสมมาตะกี้เนี่ยที่ที่ที่เล่ามาถึงเรื่องที่โยมพ่อจะมาเสียชีวิตไป น, นะอาตมาก็บอกแล้วว่าเออเราก็ไปสั่งสมมาเหมือนกันว่าเออโยมพ่อเนี่ยนะเจ็บปวดทรมานแล้วตายไปเราก็เลยเออท่านตายไปทั้งกับพ้นทุกข์นั้นเราก็ไม่เศร้าโศกเราก็ไม่เสียใจอะไรเพราะอุปทานตัวที่เราจะรู้สึกว่าเออ ถ้าท่านอยู่แล้วท่านเป็นสุขท่านสบายแล้วท่านต้องตายอย่างเงี้ยเอออย่างนี้เราก็จะมีอุปทานนี้ใช่ไหมเพราะเราก็จะเสียดายแต่ น, นี้ท่านทุกข์ th th อยู่แล้วท่านทรมานอยู่แล้วว่าเราไม่เสียดายเลยแต่ขนาดอย่างนั้นดูนะไม่เสียดายเรื่องที่ท่านทุกข์ทรมานแล้วท่านเจ็บปวดแล้วท่านต้องตายอันนี้เราไม่เสียดายปรากฏว่าตายไปเนี่ยไม่มีใครร้องไห้เลยภายในบ้านสิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนไม่มีใครเลยมีโยมแม่คนเดียวที่ร้องไห้ นอกนั้นลูกๆห ล, ลานๆเกือบทุกคนไม่มีใครร้องไห้เลยแม้แต่คนเดียวที่ที่บ้านโยอมอาตมาเนี่ย10ก้อน20ก้อนนี่ไม่มีใครร้องไห้มีโยมแม่คนเดียวที่ร้องไห้เพราะอะไรนั่นแหละที่อาตมาบอกแล้วเพราะความรักความผูกพันที่มันมีอยู่พอนึกขึ้นมาบางคนเห็นไหมถ้าเป็นสภาพธรรมดาอะไรเนี่ยไม่นึกขึ้นมาก็ไม่เสียใจแต่พอนึกขึ้นมาว่าโอ้เคย อยู่ด้วยกันเคยทําข้าวให้กินเคยพูดเคยเห็นหน้าใช่ไหมพอมันนึกขึ้นมาเอาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เห็นหน้าแล้วเอาละเริ่มเสียใจได้ <c oughs> เกิดสภาพนี้ขึ้นมาทันทีเลยแต่สําหรับวตมาเองปรากฏว่าพอตอนยมพ่อเสียไปแล้วก็ไม่ร้องหไห้เลยตอนนั้นอัตมาเป็นคารวะาอยู่น่ายัางอยู่บ้านเสร็จแล้วก็เนดะินจนกระทั่ง เอาไปฝังพอดีโยมพ่ออจะมาซื้อห่วงซุยไว้ตั้งนานแล้วแหละซื้อไว้ตั้งกว่าจะตายเนี่ยนะรู้สึกจะร่วมสี่สิปีเมื่อคือคือซื้อจองไว้ยังซื้อจองไว้ตั้งนานแล้วจนกรทั่งตายเนี่ยรู้สึกจะร่วมสี่สิบปีถึงได้เอาไปฝังที่ที่ที่ห่วงซุยนะั่นแหะโอ้ยังต้องไปเดินหางอยู่ตั้งนานว่ามันอยู่ตรงไหนวะคือคือทำไว้เลยนะ ทำเป็นไอ้ไอ้อะไรอะ่ะเป็นโลงเป็นป้ายไอ้เขียนชื่ออะไรต่ออะไรอ่ะคือทําไว้เสร็จหมดอ่ะเรียกว่าเหลือแต่ว่าตายเมื่อไหร่ก็เอาลงลงไปฝังเท่านั้นเองแล้วก็ปิดปิดฝาคือทําเตรียมรอไม่ตั้งนานแล้วคือโยมพ่ออาตมาเองอ่ะทำเตรียมไม่เองอ่ะอาตมายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพียงแต่รู้ว่าเออซื้อเอาไว้เท่านั้นเองไปซื้อที่นอนตายเนี่ยไป ลู้แค่นั้นเนี่ยแต่ความจริงแล้วโอ้โหซื้อไว้ซื้อไว้สองคนนะโยมพ่อจอะมานเนี่ยซื้อไว้ให้โยมพ่อแล้วก็ซื้อให้โยมแม่เองซื้อซื้อเอาไว้สองที่เตรียมไว้ปรากฏว่าโยมแม่ยังอยู่ไปยังนานเออแล้วทำคู่กันนั่นแหละเสร็จแล้วพอตอนตอนไปส่งศพไงพอปรากฏว่าช่วงที่จะเอาศพเนี่ยลงไปฝังจริงๆ โอ้โหอาตมามันอุปทานมันขึ้นมาเลยเคราวนี้มันนึกถึงหน้าโยอมพ่อนึกถึงเออแต่ก่อนนี่เออเคยเจอเจอกันนะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โผพอนึกขึ้นมาเท่านั้นเองอะ่ะทันทีเลยเคราวนี้โอ้หูน้ําตาไม่รู้ไหลยอย่างไหนกั้นไม่อยู่เลยห้ามไม่อยู่เลยทั้งทั้งที่จริงๆเราไม่ได้เสียใจนะแต่พราวนี้พอเราไป น, นึกอุปทานเก่าขึ้นมาเท่านั้นเอง แล้วนึกขึ้นมาเองด้วยโอ้โหน้ำตาไหลไม่หยุดเลยเคนนี้อาตมาเลยต้องหลบเลยต้องหลบไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปร่วมกับเขาเลยคือตอนที่เขาขนศพไปลงลงไปที่ห่วงซุยเนี่ยไม่กล้าไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้โหมันก็คนอื่นเขาไม่ร้องกเนนะเราเราจะเราจะไปร้องอยู่คนเดียวโอ้โหน้ำตาไหลาพากาบ ก, ก, ก็เลยแบบไม่ไหวก็เลยต้องไปพักสักครู่ทาใจให้มันสงบ แล้วก็ลดไอ้ตัวที่เราจะไปคิดถึงอดีตเนี่ยแหละคือตัวอุปทานคิดถึงอดีตนะว่าจะเออเคยเจอกันนะเคยคุยกันอย่างนั้นอย่างนี้นะเออพ่อเคยบอกอย่างนี้อะไรอย่าเงี้ยคือเราก็พยายามตัดจิตตัวนี้ลงไปไม่ไปคิดไม่ไปหวนนึกถึงมันก็ค่อยเบาลงเบาลงจนต่อหลังมันถึงจะหยุดได้แต่ไม่ใช่ร้องไห้โ h นะ ไม่ได้มีเสียงโ hoe ฮฮแต่ว่าโอ้โหน้ำตาเนี่ยไหลเป็นสายน้าเลยนั่นแหละอาตมายังนึกอยู่ว่าโอ้โหขนาดโยมพ่อยังขนาดนี้ถ้ายิ่งเนี่ยยังนึกอยู่เนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่นะโยมแม่อาตมาจะอยู่ไปได้อีกอี่ปีก็ไม่รู้ถ้าโยมแม่เนี่ยอาตมาเคยพูดให้พวกเราหลายคนฟังว่าไม่แน่ใจเลยว่าจะทนได้สักแค่ไหนเพราะยิ่งโยมแม่เนี่ยยิ่งมีไอ อุปทานที่ผูกพันเลยโอ้ยิ่งมากกว่าโยมพ่ออีกเยอะหลายเท่าโยมพ่ออาตมานี่เป็นแบบบอกแล้แบบลูกผู้ชายสอนพวกลูกๆมานี่สอนแบบแบบแข็งๆเนี่ยสอนแบบว่าให้อะไรอะ่ะให้เด็ดเดียวให้เด็ดขาดให้อะไรพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเวลาจากไปนี่เรายังทําใจง่ายหน่อยแต่ถ้าอย่างโยมแม่เนี่ย โอ้ยพูดกับเราดีดเวลาเราป่วยก็มาดูแล <c oughs> <c oughs> นะบางทีก็เอา้ามาช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เวลาเราป่วยเอาจะกินอะไรไหาด้วยหาดีมาให้กินคือมันเป็นตัวไอความรักความผูกพันเนี่ยมันจะมีมากเพราะอุปทานพวกนี้มันจะฝังอยู่ในสมองเราเนี่ยมันเยอะมาอย่างนีกอยู่ว่าโอ้โหถ้าเกิดโย่แม่เสียไปจริงจริงนี่นะ ไม่รู้ว่าจะกั้นน้ําตาอยู่หรือเปล่ายังยังคิดว่าเอไม่แน่ใจตัวเองเลยว่าจะกั้นอยู่ไหมแต่รู้นะถ้าสมมติว่าคือมันอยู่ที่เราฝึกถ้าสมมติว่าเราพยายามประคองจิตเราไว้ไม่ให้จิตเนี่ยมันไปตามอุปทานเก่ามันจะไม่ไม่น้ําตาไหลแต่ถ้าใครเนี่ยไม่เคยฝึกมาบ้างเนี่ยมันจะปล่อยจิตไป พอปล่อยจิตไปปั๊บมันทันทีเลยพอเริ่มปล่อยจิตไปเนี่ยมันจะกลับเหมือนกับกลับไปในอดีตเลยไออุปทานพวกนี้ยมันจะขึ้นมาเป็นภาพภาพเป็นฉากฉากในจิตเราแล้วในที่สุดจะกั้นไม่อยู่เลยลมายกตัวอย่างง่ายๆก็ได้คนที่ดูหนังทีวีเนี่ยหนังดูหนังดูละครดูโทรทัศน์ถ้าเราปล่อยจิตเราไปตามหนังละครโทรทัศน์เนี่ยคุณปล่อยจิตนะคุณอย่ามาแบบว่าดูแล้วก็แบบว่าเอ้ย น, น, นั่นมันหนังมันไม่ใช่เรื่องจริง นะไอนี้มันแสดงนะไอคนนั้นไอคนนี้ไออย่างเนี้ยคุณจะไม่เป็นอะไรเลยแต่คุณก็อาจจะไม่ประทับใจไม่ได้ไปซาบซึ้งอะไรด้วยเพราะคุณไม่ได้ไม่ได้ปล่อยจิตคุณไปบ้างแต่ถ้าใครดูแล้วเนี่ยปล่อยจิตแล้วยิ่งบางทีนะพอดูตัวละครนั้นตัวละครนี้นะก็นึกถึงด้วยนะนึกถึงตัวเราเองผสมลงไปด้วยนะโอ้โหคุณเอ้ยได้เรื่องเลยแหละถ้าคุณผสมลง บทก็เศร้าอะไรเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยน้ำตาคุณติ้งติ๊งเลยแล้วมันรู้นะจิตเนี่ยมันจะรู้ตัวเองแต่ถ้าคุณเกิดผสมลงไปนะไอ้แบบว่าไอ้โกรธโมโหอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พลอยอืหนั่งชักขึ้นละชักขึ้นละคุณก็ขึ้นไปตามอ่ะตามจริงๆมันตามจิตของเราเองมันไม่ใช่ตามหนังนะแต่จริงจริงมันจิตของเราเองเราเอาไปผสมแล้วก็ปรุงคิดไป เพราะว่าบางทีไอ้หนังนะั้นมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ได้แต่เราเองเนี่ยเราจะปรุงแล้วเราคิดไปของเราเองผสมลงไปทันทีเลยเวันนั้พอมันขึ้นพอมันขึ้นพอมันขึ้ น, น, นทันทีเลยสมัยก่อนเนี่ยอาตมานเนี่ยปล่อยไปปล่อยไปมากดูหนังนะั้นปล่อยจิตไปมากมันเป็นคนที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซนซิทีฟเซนซิทีฟไม่ใช่แปลว่าโดนทีบ เซนซิทีมันแปลว่าอ่อนไหวอารมณ์อ่อนไหว เ, ออเนี่ยมาเนี่ยจริงๆเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวมากเนี่ยเรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละถึงได้พยายามฝึกมันจะเป็นการจับจิตขึ้นมาอย่างเช่นเนี่ยยกตัวอย่างอย่างดูหนังเนี่ยบางทีจะหัดจับจิตตัวเองนะดูๆไปเนี่ยเราปล่อยจิตปล่อยอารมณ์ไปตามครับเอาเริ่มจับนะบอกอ๋ออ๋อดดูที่ดูทีทช่ชักจะโกรธชักไม่ชอบใจไอ้ไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนี้แล้วนะ หรือบางทีเป็นบทรักเป็นบทลายเงี้ยเราดูดอ้าวเชื่อปล่อยจิตไปตามไปราค้านะต้องต้องรีบระวังพอรีบระวังแล้วเราเราก็จะเตือนจิตเราแล้วเราก็จะปรับจิตเราแต่ถ้าใครดูไม่ระวังเนี่ยมันจะปล่อยไปตามนั้นแล้วโกรธก็โกรธรักก็รกักบางทีไอในจอมันแสดงมันไม่สะใจอะหนังจบแล้วเรายังไม่จบเลยเด <laughs> ี๋ยวเราแสดงต่อเอง นั่นแหละแล้วมันจะเป็นอย่างงี้บ่อยบางคนเนี่ยไปดูนะมันคาค้างอยู่ในหัวเนี่ยหนังจบแล้วก็คนนั้นเนี่ยมันยังอยู่เลยมันยังดำเนินเรื่องของมันต่อไปบางคนจะจนถึงกันถึงเวลานอนแล้วยังนอนไม่หลับเลยเพราะมันยังทำงานอยู่ไออุปทานที่มีบางคนนอนไม่หลับหรอกต้องนอนไปสักพักหนึ่งยวกระทั่งมันเริ่มเมื่อยสมองมันชักจะล้าแล้วในที่สุดมันเลยเออ ก็หลับไปเพราะไอ้ความเพียเพียที่จะคิดแล้วมันคิดไม่ไหวแล้วมันหนักในที่สุดก็หลับไปเพราะความเพียของสมองนะอันนี้พูดให้ฟังในแง่ของอุปทานเหมือนเมื่อคือนเนี้ยพอสอนเสร็จแล้วมีคนถามขึ้นมานั้นในเรื่องของอุปทานอัตมาก็บอกว่าถ้ามันเป็นกิเลสเขาเรียกว่าอุปทานแต่ถ้ามันเป็น สัญญาคือมันเป็นความจําเก่าที่เราจําได้มันขึ้นมาแล้วเราไม่เอากิเลสเราเข้าไปปรุงเข้าไปคิดด้วยเข้าไปผสมลงอันนั้นเขาเรียกแค่ว่าสัญญาเขาไม่เรียกว่าอุปทานนะว่าอันนี้พวกเราต้องพยายามทำความเข้าใจไม่งั้นบางทีเนี่ยสมณะกระตามศีมะกามากระตามหรือว่าพ่อท่านบางทีเทศให้พวกเราฟังบอกอุปทานอุปทานเราเองเรายังไม่รู้เลย อ, อุปทานมันหมายความว่าไง ออกจริงๆอตาตบางคนเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำแบบว่าอะไรล่ะคืออุปทานว่าอุปทานก็คือจิตของเราเนี่ยมันตรุงนะมันมันยึดจะเป็นของเก่าๆก็ได้ที่เราเนี่ยสะสมเอาไว้จะเรื่องอะไรก็ได้ที่เราเรายึดเอาไว้เราจำเอาไว้นะที่มันเป็นกิเลส